ก็ในขณะที่อริยมรรคเกิดข right? ึ้นเนี่ยนะขณะนั้นมีนิพานเป็นอารมณ์ซึ่งจะเรียกว่าอาศัยตัวกุศลชั้นล่างๆเป็นบริวารใช่หรือไม่เนี่ยทีนี้ถ้าถ้ามองในแง่ปัจจัยเนี่ยมองในแง่ปัจจุปะนิสยะปัจจัยก็ต้องใช่ละเพราะว่าอริยมรรคนั้นจะต้องมีอุปนิสัยปัจจัยที่ที่มากจริงๆนะ อย่างที่เคยเปรียบเทียบอุปมาว่าอธิธศีลสิกขากับอธิจิตตศกขาเหมือนกับฐานขององค์เจดีย์เนี่ยนะอธิศีลใช่กับอธิจิตตศกขาส่วนอธิปัญญาศกขาส่วนพวกว่าอันนี้เป็นอริยมรรคเนี่ยนะองค์พระเจดีย์ก็คืออะไรนะ อธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาแบ่งเป็นทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานัทสนวิสุทธิปฏิปทายานัทสนะวิสุทธิเนี่ยนะอันนี้เปรียบเหมือนองค์พระเจดีย์ส่วนอริยมรรคข้างบนสูงสุดนี่เรียกว่ายานัทสนวิสุทธิที่เป็นเหมือนกับยอดพระเจดีย์ ทีนี้ถามว่าฐานล่างๆทั้งหมดเนี่ยมีส่วนที่จะสนับสนุนรองรับองค์พระเจดีทั้งหมดใช่หรือไม่อนน ก, ก็ต้องใช่ละ่ะเนี่ยที่ที่จะประชมให้ถึงยอดขององค์พระเจดีเลยเนะแต่ว่าในขณะอริยมรคเนี่ยยอดพระเจดีเนี่ยถ้าเรากําลังพูดเฉพาะขณะในยอดเนี่ยจะว่าไงเฉพาะในส่วนของยอดอะ่ะก็องแปดประชมกั น, นเนี่ยเป็นบริวารของกันและกัน แต่ว่ากว่าจะถึงอย่างนั้นก็ต้องอาศัยบริขารเป็นอย่างมากส่วนที่น่าเพิ่มเติ ม, มอีกที่กล่าวถึงสติปัฏฐานเนี่ยนะสติปัฏฐานก็มีกายเป็นอารมณ์นมีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์แล้วก็มีธรรมะเป็นอารมณ์กายก็คือรูประคันเวทเวทนาก็คือเวทนาขันจิตก็เป็นวิญญาณขันธรรมะก็คือสัญญาขันและ สังขารขันสติที่มีกายเป็นอารมณ์เรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานสติที่มีเวทนาเป็นอารมณ์เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปทานสติที่มีจิตเป็นอารมณ์เรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปทานจิตที่มีธรรมะคือสัญญาสังขารเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปทาน ทีนี้สติปัฏฐานเนี่ยจะต้องอาศัยความเพียรใช่ไหมวิริยะความเพียรประกอบที่สําคัญมากคือความเพียรเพราะตัวอนุปัสสนาก็ตัวปัญญาตรงตัวอยู่แล้วสติปัฏฐานก็คือตัวสติตรงตัวก็ต้องอาศัยวิริยะวิริยะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงก็เพียรที่เป็นสัมมารประธานสี่ใช่ไหมคือสังวร ประทานประหานะประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานสังวรประทานก็คือสังวรปิดระวังไม่ให้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสติประทานถ้าพยมามันที่เข้ามาแทรกไม่ให้สติประทานเกิดเนี่ยเขาเขาว่ายังไงสติประทานเนี่ยเห็นโดยว่าสรุปนะอสุภะถ้า อภิชาเกิดบอกว่าสุภาพงามนะถ้ามีสติก็ต้องอสุภาเนี่ยนะเมื่อเป็นอสุภาเนี่ยปัญญาก็ตามเห็นนาสิ่งที่ไม่งามนั่นแหละมันเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยทุกขังอนัตตาตามสูตรเนี่ยนะมันก็ต้องสังวรปิดห้ามแล้วก็เพียรที่จะละความสําคัญว่างามเป็นต้นให้ได้นะ ภาวนาให้เกิดขึ้นในความเป็นอสุภะเป็นต้นจนกว่ารักษาส ม, มถานิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้ได้อความเพียรอันนี้ถ้าว่าโดยอิธิบาตชื่ออะไรวิริยธิบาทแต่นะวิริยะวิริยะบวกอิทธิบาทเรียกว่าวิริยธิบาทแล้ว ก, ก็ต้องอาศัยบางครั้งมีฉันทะเป็นอย่างมากนะมีมีม จิตที่มั่นคงอ่ะนะจิตตัวนี้ตัวแทนของสมาธิต้องมั่นคงจริงๆฉันทาวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาก็คือตัวปัญญาพวกที่เหลือก็นิยะเดียวกันเนี่ยนะทางกายเวทนาจิตธรรมในเบื้องต้นเนี่ยจะต่างกันเพราะอารมณ์มันต่างมีขันทั้งหลายเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันไปพอจนกว่ากุศ ล, ลธรรมเหล่านี้จะบริบูรณ อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์นั้นก็ถือว่าได้ในขณะจิตเดียวเห็นไได้ในขณนะ จ, นนจิตเดียวนี่ได้ในขณะจิตเดียวเนี่ยฐานฝั่งนี้ต้องมั่นคงเป็นอย่างมากจนจะรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมคือทุกข์ความเพลิดเพลินเป็นต้นคือเหตุแห่งทุกข์นิพพานคือความดับทุกข์ จเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เพียงใดจนถึงจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จะต้องจเจริญภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากเลยแหละใช้เรียวแรงใช้พลังใช้ความบากบันจริงๆจึงจักแปงตลอดหรือตรัสรู้อริยมรรคได้จริงๆก็ต้องมีการทุ่มเทมากสมัยพุทธกาลนั้นผู้ที่สแสวงหาอริยมรรคเนี่ยถามว่าทุ่มเทขนาดนั้นพระพุทธเจ้าให้พระราหุลแสวงหาอริยมรรคโดย สัมนวนว่าตัดตำแหน่งจกักรพรรดิพระราหุนออกเลยบอกไม่ต้องเอาแล้วจกักรพรรดิเอาอาริยมรดีกว่าที่จริงพระราหุนเนี่ยจะไปขอสมบัติจกักรพรรดินะบอกเขาบอกว่าสมณะข้าพเจ้าต้องการมรดกเหมืนกันเพราะว่าข้าพเจ้าจะต้องครองราชใช่ไ้มจะต้องเป็นคารวะจะต้องใช้ทรัพย์ขอเธอพระเจ้าก็นึกในใจาเออทรัพย์พวกนั้นเป็นไปในวัฏตะไม่ให้หรอก นั่นก็เลยจับบวชเลยบวชก็เลยให้อริยมรรคทั้งสี่แทนก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านะั้นมีวิจารณญาณที่มั่นคงมากยกอริยมรรคให้ให้แทนเนี่ยนะฉั้นการเจริญพวกนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ในวิสุทธิมรรคกล่าวถึงว่าวิสุทธิมรรคกล่าวว่าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ ถ้าไม่รู้ทางแห่งความพ้นทุกข์เขาก็ปฏิบัติไม่พ้นทุกข์หรอกแั้นท่านก็เลยเรียบเรียงวิสุทธิมรรคเพื่อให้เห็นทางแห่งความพ้นทุกข์หรือทางแห่งพระนิพพานพระนิพพานนี่คือความสิ้นทุกข์อริยมรรคชื่อว่าเป็นทางวิสุทธิมรรคก็คือทางแห่งพระนิพพานเพราะนก็การศึกษาพระธรรมจนมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะจนถึงทําให้มีปัญญาเนี่ยรู้ทางแห่งพระนิพพาน แม้แต่ที่เราเรียนคำภีปฏิสัมพิทาก็คือเรียนทางแห่งพระนิพพานเพื่อให้มีปัญญาเห็น น, นิพพานะเพราะว่าญาณในทุกขันนะญาณในทุกชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณในทุกขสมุทัยชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาญาณในทุกขานิโรธชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณในอริยมรรคชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทา นั้นแม้กระทั่งเรียนคมภี์ปฏิสัมพิธามักก็คือให้มียามที่แทงตลอดอริยสัจยามที่แทงตลอดอริยสัจอย่างบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีนิโรธสัจะเป็นอารมณ์นั่นก็การอบรมพวกนี้นะก็ต้องเจริญจนกว่าจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ถ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะก็เป็นไปได้ที่จะทําที่สุดแห่งวัฏถุกข์ได้แต่ถ้าผู้ใดเห็นว่าวัตถาเป็นทุกจริงก็จะดีใจมากที่รู้ทางแต่ถ้าเห็นว่าวัฏถาไม่ทุกจริงก็ ไม่น่าเสียใจอะไรเลยใช่ไหมหรือว่าไม่น่าดีใจอะไรเลยถ้ารู้ทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อวานก่อนดูข้อความในอุโบสถสูตรอุทานกล่าวถึงว่า เ, เปรียบเหมือนมหาสมุทรเนี่ยนะมหาสมุทรนั้นมากไปด้วยรัตนะแก้วแหวนเงินทองแก้วมณีแก้วไพฑูรย์บุษราคมทับทิมแก้วลายเป็นต้นเนี่ยนะเต็มไปด้วยอทรัพมากมายในมหาสมุทรเนี่ยนะ ทรัพมากมายเนี่ยที่มีอยู่ในมหาสมุทรทาให้พวกอาศูรเนี่ยดีใจมากฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเป็นที่รวมแห่งรัตนมากรัตน์เยอะแยะไปหมดเลยมีอยู่ในธรรมวินัยนี้ที่เป็นเหตุให้หมู่พระอริยะทั้งหลายท่านดีใจอนะันนอรัตรัตนะเหล่านั้นคืออะไรบ้างท่สติปทานอานะันนรัตน์นี่แปลว่าเครื่องปลื้มใจเขาถือว่าสติปฐานเนี่ยเป็นเครื่องปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ปลื้มใจมากที่ได้เจริญสติปัฏฐานที่จะนําออกจากวัตทุกปลื้มใจที่ได้เจริญสัมมปทานอิธิบาทอินรีพละโพชงอริยมัสมีองแปดนะเพราะว่าเป็นทางที่จะทําให้ดับทุกข์เขามีเครื่องประดับคือโพธิปัจจียธรรมมีรัตรนะคือโพธิปัจจียธรรมเขาก็จะนํามาซึ่งความปลื้มใจไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะคนที่ไม่มีรัตรนะทางโลกก็นึกแล้วก็ไม่สบายใจเลยฉันใด ผู้ที่ไม่มีรัตนะในอริยาววินัยนี้ก็ลักษณะนั้นก็จะเสียใจในตอนตอนหลังจนได้หลายคนก็เสียใจใช่ไหมว่าไม่ได้หาที่พึ่งที่ป้องกันภัยที่ตั้งแห่งความปลอดภัยให้แก่ชีวิตอะไรเลยเนี่ยนะก็มัวแต่ภาคเพียรแสวงหารัตนะอย่างอื่นนะรัตนะภายนอกซึ่งไม่เหมือนกับรัตนะภายในแต่ทีนี้รัตนะภายนอกก็เราก็ต้องรู้ว่า เขานำมาซึ่งความปลื้มใจในโลกนี้ก็ไม่ควรที่จะทิ้งการสแสวงหารัตนภายในใช่ไหก็หาทางรัตนภายนอกหาทางรัตนภายในเคยได้ยินหนอเพราะเพราะเหตุไรจึงชื่อว่าบัณฑิตทำไมเขาจึงเรียกว่าบัณฑิตเพราะว่าเป็นผู้ที่สแสวงผู้ที่ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าเลยเรียกว่า บัณฑิตเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่ไม่ละเลยประโยชน์โลกนี้และก็ไม่ละเลยในประโยชน์โลกหน้าหลายคนก็คนที่ที่เกยียจก็ขี้เกยียจจริงๆนะประโยชน์โลกนี้มันก็ไม่เอาสักอย่างอนะใช้อย่างเดียวอันนี้กลุ่มนี้เรียกว่าประโยชน์โลกนี้ก็มองไม่เห็นบางพวกก็เห็นแต่ประโยชน์โลกนี้บางพวกก็มุ่งแต่ประโยชโน์โลกหน้าจนไม่เห็นประโยชน์โลกนี้ก็มีนะแต่ถามว่าไม่เห็นประโยชน์โลกนี้เนี่ยเอาแต่ประโยชน์โลกหน้าเนี่ยนะ มันก็ต้องเป็นนักเรียนทุ น, น่ะจึงจะได้อนนะนักเรียนทุนนี่ทุนใครทุนพระพุทธเจ้ากับทุนของพ่อของแม่ก็ต้องมีทุนนะะแต่ถ้าทุนไม่ดีพอเนี่ยก็ลําบากละแต่บางคนที่ไม่มีรัตนะภายนอกนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะจะศึกษาธรรมะ ก, ก็ยา ก, อ, กองค์ประกอบทั้งทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยนะทั้งภายในและภายนอกอะนะทั้งอริยทรัพย์ทั้งทรัพย์ในโลกนี้แล้วก็เครื่องเคลื่มใจใน โลกหน้าโดยที่สุดแม้กระทั่งทรัพย์ที่จะทําให้ปลื้มใจถึงที่สุดคือโลกุตระเนี่ยนะก็พันศาสนานี้เขาจึงเรียกว่าศาสนาที่ไม่ประมาทจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าองค์ประกอบจนไม่รู้จะใช้คําไหนใ ห, ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนอกจากคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนะไม่รู้จะหาคําไหนมาจริงๆว่าอย่าประมาทนะั้นคําที่สูงสุดในศาสนานี้เรียกว่าคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนะนั้นก็คือมีสติโดยที่ไม่ปราศจากสตินั่นเอง นี่พูดถึงองฌานมั่งนะองฌานห้าวิตกก็สภาพที่ตรึกธรรมชาติที่จะทําให้ได้ฌานจริงๆอ่ะนะก็คือเนคข ม, มวิตกอัพยาบาทวิตกอวิเหงสาวิตกเนคข ม, มวิตกก็คือตรึกออกจากการมด้วยอสุภสัญญาเป็นต้นอัพยาปาท่าวิตกก็คือตรึกไปด้วยเมตตาอาวิเหงสาวิตกก็ตรึกไปด้วยกรุณาถ้าตรึกอย่างนี้จนเป็น องชาญเป็นชาญ น, น่ยนะวิตกวิ์ก็ตรึกวิจารก็ไตรตรองตรวจตราอยู่ในสิ่งที่ตรึกไปนั่นแหละตีติก็เอิบอิ่มใจสุกก็กลัวา็เป็นที่ไหลม า, านะเอกคตาก็คือความเป็นเอกคตากเอกตคะเนี่ยนะความที่จิตไม่สักสายานะก็เป็นไปตามกรรมฐานเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นองค์แห่งชาญ บางคนที่ไม่รู้องค์ประกอบเนี่ยนะเพียงอธิบายว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั่งเปลืม้มเมื่อไหร่ก็เลยนึกว่าตัวเองได้ฌานอันนี้ก็มีไม่น้อยเนี่ยนะก็นั่งสงบๆปีติบางอย่างมันเกิดขึ้นก็เ น, นี่ยไงก็มาไล่หนึ่งสองสามสี่ห้าครบองค์เลยได้ฌานเนี่ยเหมือนันนะออกมาก็โกรธต่ อ, อยังไงวะก็ไม่ใช่หรอก น, นนะไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกจะเจริญเมตตาดูให้ดีเถอะสมควรหรือยังว่าจิตเท่านั้นหรือพอที่จะนําไปถึงพรหมโลก นะแน่ใจนะว่านําไปเกิดในพรหมโลกไม่ใช่ได้ฌานแล้วก็อ้อนวอนขอหวยอยู่นั่นนะนี่ไม่ใช่แล้วนะ น, นันผู้ที่ได้ฌานจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยนะไม่เห็นค่าของอย่างอื่นเลยนะถ้าได้ฌานอย่างจริงเพราะว่าเขามีความสุขมากแค่ว่ากุศลจิตเกิดมากๆเลยนะถามว่ากุศลจิตเกิดทั้งวันเนี่ยนะมหากุศลเฉยๆนะเกิดทั้งวันยาวต่อเนื่องเนี่ย ถามว่าชอบไหมที่จะท่องเที่ยวทั่วไปชอบไหมถ้ามหากุศลเกิดอยู่บ้านตลอดนะชอบเที่ยวไหมไม่ชอบใช่ไหมหากุศุและจิตมีค่ามากกว่าคนที่ได้ฌานน่ะจะดีใจมากมากกว่าได้กุสุแบบนั้นอีกเนี่ยนะถ้าได้ฌานจริงๆอ่ะนะเพราะพวกเหล่านั้นเนี่ยเห็นโทษของวัตถุกรรมโดยประการนั่งปวงฉะั้นผู้ที่ได้ฌานจริงๆอ่ะนะถ้าเป็นตามพระสูตรท่านแสดงว่าไง สังัดจากกามสังกัดจากปุสโธรรมบรรลุปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนั้นนั่นก็ฌานระดับสูงก็ลดตักองค์ไปเรื่อยๆใช่ไหมตัดองค์ประกอบตัดวิตกออกไปเรียกว่าทุติยะฌานตัดวิจารออกไปเรียกว่าตติยะฌานตัดปีติออกไปเรียกว่ า, ต า, าตวจตุทัชฌานละสุขล ะ, ละทุกโสมนับโทมนัสก่อนๆได้ก็เรียกว่าจตุทัชฌาน ส่วนมาดูข้อต่อไปอีกนิดหนึ่งข้อที่สิบเออข้อไปยังอยู่ในข้อสามสิบหกอยู่ดีนะมาดูอาวัชณะนะอาวัชนะโถสภาวะของอาวัชนะเนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะปัญจทวาราวัชนะก็คือถ้าเรียกเต็มๆชื่อนะถ้าทางจากักรคูทวารเรียกว่าจักขู่ทวาราวัชนะคำหนึ่งเพื่อเห็นรูป แต่ว่าเราดูดูกว้างๆนะถ้าคํานึงก็จะเห็นเหมอนนะอาวัชนะโสตทวาราวัชนะคือคํ till, been, านึงเพื่อจะฟังเสียงคานะทวาราวัชนะก็คือคํานึงหรือรำเพงเพื่อจะรู้กลิ่นชิวหาทวาราวัชนะก็คํานึงรำพึงเพื่อจะรู้รสกายะทวาราวัชนะก็คํานึงเพื่อที่จะรู้โธทพะมโนทวาราวัชนะก็คํานึงเพื่อที่จะรู้อารมณ์ทั้งห้าทวาเนี่ยอารมณ์ทั้งหทวารเนี่ยนะ เขาคำหนึงมโนทวาราวชนะนี่คำหนึงได้ทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์หแต่ว่าเกิดในมโนทวารถ้าในปัญจทาาวาร น, นี่เขาเรียกว่าโวัฏถนะเป็นตัวตัดสินถ้าเกิดในมโนทาวาร น, นี่ทำกิจอาวัชนะถ้ามโนทาวาราวชนะเกิดในปัญจทวารเรียกว่าโวัฏถนาะเนี่ยส่วนอาวัชนะเนี่ยธรรมชาติที่รำพึงถึงคํานึงถึงใช่ไหมพอรำพึงถึงคํานึงถึงเนี่ยจิตก็รู้แจ้ง ธรรมชาติของจิตก็รู้แจ้งวิชานะนะวิชานะก็รู้แจ้งจากครูวิญญาณรู้แจ้งอะไรสีโสตวิญญาณรู้แจ้งเสียงคานะวิญญาณรู้แจ้งเปลนเชีวหาวิญญาณรู้แจ้งรสกายยะวิญญาณรู้แจ้งโภทพะมโนวิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์หอารมณ์หส่วนสภาวะของปัญญาก็คือรู้ชัดใช่ไหมปัญญานี่รู้ชัดรู้ชัดว่ายังไง รู้ชัดว่าก็รูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปรูปเป็นไงเนี่ยนะก็รรู้ชัดว่ารูปพร้อมทั้งสมุทฐานรูปเกิดได้ยังไงดับความดับรูปดับยังไงเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นแหละปัญญาเนี่ยรู้ชัดทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนสภาพที่จําได้เรียกว่าสัญญาเนี่ยสัญญาก็จําได้ในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดง คนที่เจริญกสินไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะเพราะมันจำสัญญาตั้งหลายสีมันเลยไม่เป็นกระสินถ้าจำได้แต่สีเดียวจริงๆคนนั้นจะเจริญกระสินได้หรอโดยที่ไม่ยอมเอาสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่นะมีแต่สีขาวอย่างเดียวขาวล้วนๆทาจิตให้สงบนะพวกนี้จะได้กสินแต่เนื่องสัญญามันซับซ้อนสับสนวุ่นวายไปหมดมันก็เลยไม่ค่อยเจริญกสินได้เท่าที่ควรมันถ้าจำแต่สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงอย่างแม่นยำไม่ยอมเอาสีอื่นมาปนเนี่ยเ ก็อันนั้นก็จะสามารถทำชาญได้แต่ถ้าสีมาปนกั น, นหลายๆอย่างเข้านะก็สมมติถ้าสัมคัญหมายหรือสัญญาจําเลยว่ามหาพุทธปทวีปทวีปทวีจะได้ปทวีเกษินถ้าอาโปอย่างเดียวได้นะก็จะได้อาโปกสินนั้นสัญญาเนี่ยเป็นเหตุทําให้ได้ทั้งอะไรทั้งขณิกะอุปจาระและอัปปนาไอ้พวกอุอขณิกะเนี่ยมันรู้อารมณ์ทั่วไปหมดเดียก็สีขา ว, ส, ขาวสีเขียวสีเหลืองสลับปนเปกันเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าอุปจาระอัตนานี่จะมีอารมณ์ที่ไม่ปนไปแล้วเนี่ยก็ถ้าอารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่งยาวไปเลยส่วนสมาธิเนี่ยนะก็ทําเอกผุดขึ้นนะทำเอกผุดขึ้น ก, นก็เพราะว่ามันตั้งมั่นนะเนีถ้าผู้ที่มีทําเอกผุดขึ้นอันนี้ก็ต้องอะไรสงบพระงับไปบอกวิตกวิจารสงบพระงับไปสมาธิจึงจะผุดตั้งมั่นขึ้นจึงจะชัดเจนขึ้นถ้ายังมีวิตกวิจารอยู่สมาธิก็ไม่ ชัดเจนไม่ตั้งมั่นสักเท่าไหร่ส่วนในข้อสามสิบเจ็ดที่กล่าวถึงอภินญาอภินญาก็คือยาตะใช่ไหมยาตะก็คือรู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นยาตะปริญญานะที่รู้สภาวะที่รู้แห่งอภินญาก็คือยาตะปริญญานั่นเองพนั้นยาตะปริญญานั้นเป็นการรู้ยิ่งตีรณ ะ, ะก็เป็นการกําหนดรู้ ปริจาคบริจาคก็เป็นชื่อของตหานะเพาะะัญาตะปริญญาตีระปริญญาและตหานะปริญญาเพราะฉะนั้นยาตะปริญญานี่เป็นการรู้ยิ่งตีระปริญญาก็เป็นการเข้าไปรอบรู้เข้าไปใข่ครวนนะตฐานะปริญญาก็เป็นการสละเป็นการบริจาคเนี่ยนะสละสละอะไรบริจาคอะไรสละความสำคัญว่าเที่ยงสละความสำคัญว่าสุขสละความสาคัญว่ า, ง, วา ง, งามว่าเป็นอัตตา ส่วนภาวนานี่มีกิจเป็นอันเดียวกันรวมทั้งสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะและวิปัสนาภาวนาที่ทํากิจรวมกันเรียกว่าอริยมรรคมันภาวนาตรงนั้นหมายถึงมรรคสัจฉิกิริยาก็เป็นชื่อของผลอันอภาวนาคือมรรคเนี่ยอริยมรรคทากิจอย่างเดียวกันส่วนผลก็ถูกต้องเนี่ยนะถูกต้องก็เข้าถึงนะนะเพราะทำให้แจ้งส่วนธรรมะที่ที่รวม วัตตะก็คืออะไรขันเป็นกองใช่ไหมขันเนี่ยนะเป็นกองกองทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันขันเหล่านี้นํามาซึ่งภาระนี่นะผู้มหาภาระจริงๆนะบริหารขันนะแล้วก็ขันเหล่านี้ก็บีบขันเป็นต้น น, นะปีรนะสันตาปะวิปรินามะเปต้นนั่นนะขันขันทั้งหลายเนี่ยเป็นกองบีบขันเป็นภาระส่วนธาตุทั้งหลายก็เป็นสภาพที่ศูนย์ศูนย์อะไร ศูนย์จากความเที่ยงเป็นต้นศูนย์จากสัตว์บุคคลแต่ว่าธาตุและว่าทรงไว้ซึ่งทุกทุกเป็นอเนกในโลกนี้ถ้าไม่มีธาตุสักอย่างเดียวมันจะทุกไหมถ้าไม่มีจากขูธาตุโสตากานาชิวหากายธาตุมโนธาตุเป็นต้นเนี่ยทุกทั้งมวลในโลกนี้จะมีได้ไหมไม่มีเนี่ยเนี่ยฝนน้ํนนาจะท่วมนะถ้าไม่มีจากขูธาตุเป็นต้นนะไม่เด๋ยวร้อนอะไรอันนะฟ้าจะผ่าถ้าไม่มีจากขูธาตุเป็นต้นก็ไม่น่าเดี๋ยวร้อนอะไรอันธาตุเหล่านี้มันทรงไว้ซึ่งสารพัดทุกเหมืองกัน นัคำว่าธาตุนี่มีหลายนัยยะด้วยกันนะนะส่วนอายตนะก็คือเป็นการต่อเขตแดนของตนของตนแปลว่าเอาตามาต่อตานะเอาตามาทําเหตุเพื่อจะได้สร้างตาต่อไปเอาหูมาต่อง่ายๆเลยนะก็เอาหูต่อหูจมูกต่อจมูกก็ต่อกันอยู่อย่างเงี้นะใครนะั่นมันขยันจริงๆเลยนะน้าข้าทิ้งเลยนะปัญหาแต่ <c oughs> มันชอบด้วยเนะี่ยชอบต่อทุกอย่า ทั้งขนันอายตนะธาตุนั่นแหละเป็นสังคตาธรรมเป็นธร ร, ร, นะรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งเนี่ยนะเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งส่วนพระนิพพานนี้เป็นอสังคต <us> าธาตุไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งวันนี้ก็ถึงที่สุดเลยนะไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งก็มันขอให้ไม่ต้องปรุงแตง่งกันอีกต่อไปนะขอให้ทําให้แจ้งธรรมที่ไม่ต้องปรุงแตง่งอันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยเพราะไม่ต้องปรุงอีกแล้วเลิกปรุง